นักโมตระ t ัตตวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธะนักโมตระปัตตวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธะนัโมตระปัตตวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธะนัโมตระปวตรหัุ นะโมท้าท้านะวะโรอะนะโตนะโมท้ทุกงเจริญงคชาติทุกทงรงคชาติทัมังรงคาติทั้งมังเจริญงคาติสังทังเรงาติังทังเจริญงคาิ ทุขยมพิพุทังเทเนังข้ามิสุขียมทังคทเรนังกระามิสุขียมทามังสทเรนังขาุทามังเทเรนั n กร i ตามิสุขียมพิสังขังเทเรนังขาิสุขียามพิสังขังเทเกระตามิ ตัคียัมปีพุทธังเทระ a ังขจามิตัคียัมปีพุทธังเระังขจามิตัยัมปีธรรมังเระังขจามิตัคียัมปีธรรมังเระังขจามิตัยัมปีสังขังเระังขจามิตัคียัมปสังังรังจามิรมนังิัง อาณาจิปตาเวรัมณีศิขะปัทัสมะจียามิอาณาจิปตาเวรัมณีศิขะปทัสมะจียามิอินาธานาเรมณีิขปทสมะจียามิ อาติมาตานาเวรามนีสิกขาปัทังสมาธียมิกามิสุมิาจาราวระมณีสิกขาปทังสมาธียมิกามิสุมิจจาจาราวระมณีสิกขาปัทังสมาธียมิกามิ มูทราวาเวรามณีสิคาปทังสมาทิยามิตุรมีระยะมะจพมาตธานาเวรามณีสิคาปทังสมาทิยามิสุระมิระยะมะมาทานาเวรามณีสิคาปทังสมาทิยามิมานิปัญจ สิขาปัานิสีเรณสุขจริงยันติสีเรณโพกัคัมปัฏฐานสีเรณมีูจริงยันติตัตสมาสีรังสทะเยือะไรงานตัวไหนที่เออ เออคือใช้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้พูดที่อัดเทปใบนี้จะเอาไปฟังน <c oughs> เนี่เอาเอาเนี่ยเอามามาสมนากันค่ะมีอัวท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์เมืองทองแคร์มณีเป็นรอฐิการบดีที่จุฬา คือไม่ค่ะไม่ขับ那么慢นะ<笑><笑>แล้วก็ท <c oughs> ่านมาเป็นอยู่หน้าวิทยากรที่จะมาให้การมมอบรมทีวิทยาลัยครูมีอาจารย์วิทยาลัยครูแล้วก็ครูอาจารย์จากโรงเรียนในอุบลนี้หลายโรงเรียนนะ <c oughs> แล้วก็คณะของวิทยากรก็มีอาจารย์เพียงใจค่ะ จากย์กองอนามัยเคยมาทีหนึ่ง mm hmm. ขอหนังสือท่านไม่ได้ไปได้ที่การรถไฟแก <c oughs> อาจารย์ผ <c oughs> ู้อญิงค่ะคนาหน้ากองอนามัยท่านจะมาทําบุญเกี่ยวกับหนังสือที่จะแปลภาษาต่างประเทศอาจารย์สมศสริ่ะอยู่คนแก่กองอนามัยเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็อาจารย์ที่พาค่ะ mm hmm. มาจากกองอนามัยซ mm hmm. ึ่มาจากประเทศกัน ส่วนที่เหลือนอกนั้นคุณกบันหมดค่ะมีแท็กวิไลโคก็มีอาจารย์ธงรองอธิการนำะ บ, บวนมาค่ะเครมาแเ <c oughs> หรอครับนับตัวามาทุกเดือนเป็นประจำนะ <c oughs> อยากจะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายรูปก็ไปบูชาสักรูปได้ใช่ไหมคะได้แต่มันไม่ค่อยสนิทดอกเขาทำไปบูชามันดีกว่าทำไปบันเทิงเอาไปด้วยกับสอกสองเนี่ยท่านอนุญาตแล้วแตท่ายิ้มด้วย อะไรนะขอขอท่านท่านอาจารย์ท่าหลังม่าจะใกล้เ่านคุณเกลไม่ใกลเห็น พระพระเล่าหรอกพระพลังพระเล่าเฮ้เอามันยิ้มไม่เป็นมันหมดฝังมันเลยเปลาล่ะฝังหมดฝามันแหละโผลยิ้มเลยบอก สบายร่างกายไม่สบายมันโอนไปโอนมาโอนไปโอนมามีหมอมาแล้วมีหมอมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเาเียแล้ว ถูกเขากาียนเนี่มันไปนงี้เลยอายุหกสบกว่าแล้วมันกาเซียนแล้วอันนี้ก็วันที่ทำงานนอกคิวเขารอเขอเวขนาจปกันอัจนิ้ยอะเยอะมากมากอัจากนิ้ก่อนเล่าเล่าเรื่องอะไรที่พ่ออันจะมาเคย เ็ยพอดนัญญกศึกษาและวการาชการมาฟังธรรมมอพูดอะไรกันจบแล้วขอฟังธรรมสัมมิสอาตมาเห็นว่มธรรมะมันหมดราคาเลยมันนิดเดียวเท่านั้นกิาวเม็ดเดียวอีกไม่พอไหมอะไรกอสัมนิสเท่านั้นหลายอย่างอันนี้เสี่ย น, นพออะระบังมันไ่พอรีบ รีบไปก็รีบมารีบมาก็รีบไปเท่านั้นมันเึงนเรี่องนิดเดียวเวลาต่หาว่าเวลาไม่พอเวลามันเดือยเยอะคนเรานี <Sci forgive Halloween> ่ยเวลาันไม่พอเวลามันมากสุดๆเลยแต่คนมีเก้าไปตามเวลาคนเรื่องขอเวลามันไม่พอมันก็พลาดจะมาน่ะ จะมาบวชเด้ยวก็ลาสิท่านสึไปทำไมอุยผมหมดฟองเพียรแล้วครับแม่ท่านเก่งเนาะผมบวชมาหลายพรรษาเลยยังไม่หมดเลยฟองเพียรท่านจะทำไง ม, มันหมดเร็วเออนี่ย <c oughs> มาทำประเดียปลาสามเดือนหมดแล้วฟองเพียรมาทีหลังเรานี่นะ <c oughs> ทำไมท่านยันไม่รู้ <c oughs> เอาตังใจฟังซนะ ฟังกันจะพูดอะไรฟังเส้นนี <laughs> ยย้ยอมใหญ่ในของเส้นนี้เดียวก็ฟังส้นนี้เลยดี <laughs> <laughs> ม, ม, า, มาวันนี้เป็นโชคดีเป็นมงคลดีอย่างที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย จะได้น้อมมานมัสการถึงวัดวันนี้เนี่ยพระทัง้งมีผู้มาเตือนเรยว่าจะมาวันนี้อาจจะมากรีรับรอคอยอยู่ปกดีมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าสร้างความดีของเราแต่นั้นของ่ดีวันนี้ก็คือ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอแล้วก็ให้กันแล้วเรื่องขอการขอสินนีอันนั้นเป็นของอีกสิ่งหแต่แล้วก็ไม่มีใครจะสนใจเท่าไรโดยมากจะไปสนใจก็สิ่งที่ไม่เคยมีราคาเท่าไรสิ่งที่มีราคาเหมือนสินอย่างนี้ไม่ไปมีใครสนใจเพราะสินนี้มันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นล่างมันเป็นนามธรรมา <c oughs> ทำแล้วไปอย่างนั้นไม่ทำแล้วไปอย่างนั้นอก็เลยไม่เข้าฟังดึกติดใจพวกพวกเราทั้งหลายในความเป็นจริงเราทั้งหลายนั้นะจะมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกอย่างทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระก็คือความสุดจริตคือสัตว์ทำงานตรงต่อหน้าที่ของกันทุกคนนี้ก็ เ, เกี่ยวเกี่ยกับสิงเป็นพื้น เราทุกคนมันพบสิ่งที่เราไม่เคยพบเช่นพบท่านผููมิเกียรติทั้งหลายนี่เคยเป็นนักเรียนมาทุกคน <c oughs> เป็นครูโรงเรียนเป็นครูสอนคนคนนึงอยากจะเป็นครูงันกว่าเป็นผัวน้อยนี้ยมันลาบากเกาะคนอื่นครับเขาทิ้งที่ไหนก็ได้ อย่างนี้ก็พยายามอยากจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะเสมอมาจนกระทั่งถึงตัววันนี้ไี่เป็นผู้ใหญ่แล้เป็นครูคนแล้วเนีืยบัดนี้มันถูกเขาเกาะเราเนีเขาเกาะเราก็นักมันจะเด่นหมือนกั น, นแต่ก่อนเราไปเกาะเขาคือ ม, มันสบายเหมือนกั น, นไปเกาะคนอู่ครับบัดนี้มาโตมาแล้วภาระอันนั่นมันหมดไปถูก เด็กมันเกาะเราขิหนหนักไห ม, ม, มเดียยฉันอยาบได้อันนั้นฉันอยากทํามันนีอ้อะไรที่ของมันยังจุ้งอามันทิ้งให้เราทั้งนั้นอ่ะอัตมากูมืนกันอยู่นี่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติดีญาติโยมทางไหนส่อคอยจะเอารูรานมาฝากจะคนเจเจทั้งนั้นน ไ, ไอคนที่เรียบร้อยมันเคเอามาฝากว่าไอพี่กองแต่ทีมันจั้งนั้น สึก ว, ว่าเอามาข่วงเข้าขในวัดวนึกว่ามันจะดีนะไอความคิดผิดไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาผ่านวัดแดีวมันดีขึ้นเหมือนลมไม้มันเย็นเราผ่านไปมันยิ น, นอืมจะส่องมาปฏิบัติมันถึงจะดีขึ้นอืเมื่อเขามาบวชในพรรษาเดือนสองเดือนอืมทุรนทุรายอยากจะทําจิตให้สงบเพราะเขาไม่เคยได้จิตสงบ อยากจะทาจิตสงบก็อยากจะทําอยู่นี่ให้มันสงบได้นี้อื่ถามเรียน บ, ยบ่อยๆหลวงพอจะทํายังไงทําสมาธินี่ยให้มันให้มันเร็วที่สุดให้มันสงบเร็วที่สุดนสเนี่ย <c oughs> จะทําไงอาตมาก็ไเลยว่าออทำทีมันเร็วที่สุดนั่นคือไม่ต้องทำนั่ น, นะนแหละดีที่มันเร็วที่สุดเนะี่ย <c oughs> หารู้ไม่ว่าเราเกิดมากี่ปีแล้ว เ้าเราเล้อบรมจิตให้มันหยุดยับย่างไหมไม่เคยอะไรมันสนุกสนานที่ไหนก็ไปที่นั่นปล่อยมันเต็นเต็มที่มัน เ, เมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วอยากทำสมาธิเดี๋ยวนี้ให้มันสนุกเดี๋ยวนี้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้คือปัญหามันที่บอกหน้าเรามันทําเร็วที่สุดยังงั้นไม่ได้มันต้องค่ อ, คอยๆไปดูการดูเวลาเพรมันพอสมควร ืปัญหาคือความอยากนี่แหละเอเรื่องพอมันเกิดขึ้นนี่ล้วถ้าปัญหามันเบามันบรรเทาลงไปเรื่องพอไปค่อยๆ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาจังพ้ น, น, นกว่จาจังพอพราเหมาะ พ, อ ส, พอสมพอสมควรรู้จักประมาณเนี่ยมันค่อยสบายขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันก็ลาบากออือเที่ยวเข็นเขามาเรามาบวชเมือนคืนเตียนใช่ไหมอย่างเางราผูกต้นไม้ไย บลูกวันนี้พวกนี้อยากให้มันโตขึ้น <c oughs> อย่างนี้อันนั้นเปชนเรื่องความอยากเป็นเรื่องที่ดีของเรา เ, าเรื่องนั่งสมาธิ <c oughs> มันทําใจให้เย็นมันรวมพลังจิตของเรานั่นที่จะมีกําลังมันจึงมีพบให้จิตของเราอยู่นิ่งให้มีความสงบมีการนั่งสมาธิมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นเป็นทำจิตให้เรามีกําลัง กายกำลังต้องออกกำลังกายเรียลแรงเคลื่อนไหวเอาไว้วะกำลังกายมันมีกำลังจิตนั้นบางคนนึกว่าจะนั่งคิดให้มันมากๆมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอือย่างนั้นพระพุทธเจ้าของดาวชนเป็นไห้มีความสงบได้ก่อนอเนี่อันนี้เราผ่านพ้นมาตลอดทุกวันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าไม่ทําเราพยายามทําจิตให้สงบดีกว่าเราไม่ทําอืมดีกว่า ถึงมันไม่ไม่ได้สงบมันนั่งเป็นสมาธิทำผ้าสมาธิขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ทําอืมำนะดีกว่าคนที่ไม่ทาเปรียกประณีตว่ า, วาเราหิวข้าววันนี้เอนะมีแต่ข้าวไม่มีอาหารก็น้อยจใยนะอาตมาบอกมันดีกว่าไม่มีข้าวกินข้าวประฟาวในะดีกว่าไม่ได้กินเห็นมะมีข้าวประฟาวก็กิกนไดีกว่า อย่างนี้อืมอันนี้คือมันการฉันฉนั้นเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นิดหน่อยก็ยังดีอยู่แล้วอืงเป็นธรรมดาของมันเร <c oughs> ื่องที่หากว่าเราไม่รู้จักประมาณก็คือความอยากนะมันเองสิเป็นสึ่งงที่สาคัญอยากที่มันไม่ดีหรื อ, อยากที่มันบ็ดีอืแต่ยากให้มันพออันอยากได้พอมันเป็นปัญหา ยังผู้มีเกียรติทางไหนามาวันนี้ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไม่ได้มาวันนี้นะนี่คือความอยากเป็นทีความอยากให้มาพบ ก, กันวันนี้ได้ฟังธรรมวันนี้ก็เพราะความอยากไอ้ความอยากนั่นที่กลายเป็นบา ร, รมีของเราที่เราเลยมาพบ ว, วันนี้อย่างนี้ว่าถึงแล้ก็ทิ้งความอยากนะไอ้ความอยากมันประส่์ถึงที่เราเลยไศึกษาวันนี้ก็เพราะความอยาก<ม>เป็นเหตุอีกอันหนึ่งทันไหมอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั่นก็จริง ถ้าเราม่ยึดมันจะเห็นอย่างนี้ต้องยึดแต่ยังมันมันอย่างเช่นนี่เป็นยังไงจากมาดูต้องยึดมาครับรู้ว่าแก้แล้วก็ว่างเมือนกัอาไว้อย่างเก่าเหมือนจี้เรียกว่ายึดอใหญ่มันมันการยึดให้มันมันมั้นเป็นตัวพกพบนี้แล้วท่าเกิดขึ้นมานี่ควทุกข์เกิดขึ้นมาต่อตายไปตลอดเวลาเรื่องอะที่จะไม่มีทุกข์นั้นมันไม่มีหรอก เรื่องทุกข์จะไม่เกิดนะถ้าคนเราไม่มีปัญญามันมีทุกข์ตลอดทํางานนี่เนยเองโอยนอนดีกว่าสบายดีนอนสบายไหมใครจะนอนไหมนอนไปทั้งวันไม่พิกเนี่ยนอนไหมอือนอนไปแล้วนัลุกนั่งสบายกว่านั่งมันสบายไหมเอานั่งสิอย่าไปยืนนะมันจะเรียกชั่วโมงไม่สบายเลยแล้วเออยืนดีกว่าเอายืนดที่มันสบายไหมอือสบายทักเดียวอือ เดินสบายไหมก็เดินไปมันไม่สบายทักอย่างนะทุกอย่างมันไม่สบายไม่ไปจากประมาณของมันธรรมะนี่มันต่างจากนั้นถึงแม้จะรู้จะเรียนไปสักขนาดไหนก็ตามมันเถอะถ้าเราทําให้พอดีแล้วมันจะเกิดธรรมะไม่เกิดสิ่งที่พอใจของเราอืมอ่อมันถึงจุดที่มันพอดีเลยนะมันจึงเป็นธรรมะอันแท้จริง อแต่หาความพอดีมันยากอ ม, มันยากเลแต่มันพอดีทําไมเพราะตังหามันหนุนหลังก่ะนถึงในทานอาหาร อ, าอร่อยๆหรือมันคันเนี่ยครั้งนี้ตกอ่อะข้างในมันปเป็นิดเอาอยู่ได้นิดหนึ่งเอาอยู่ก็ลดไดนะ้น่ะอร่อยกินไปกินไปโน่นเย็นจนเต็มที่นลยตอนเยินมาคล้องมาดีแม่มันเป็นเพราะอาหารนั่น มันเป็นเพราะเมานั่นเพราะเราทํำไมไม่ว่ากันล่ะเพราะเราไม่รู้จักประมาณนะมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้ก็ว่าไปทางนอกไปไม่ขี้มาติดตัวของเราสักทีมันก็ไปเจอมทางนั้นแหละไอ้ของมันตกตรงไปหาสิ่งที่มันไม่ตกตรงที่นั่นมันจะเห็นเมื่อไรลน่ะือขี้ไม่ถูกขี่ของมันไนะปนโทษอาหารอาหารนั่นจะเป็นอะไรเรามันไม่รู้จักประมาณภาษาตรงเราหน่อยนีก็อึดท้องได้เลย สิไม่ป็นเรื่องตรงอย่างนี้อันนี้โกมันทันฉันนั่นถ้าเราเห็นโทษมันอย่างนี้ <c oughs> เห็นโทษมันชัดเมื่อไรนะ่ะรื้อได้ถ้ามันถ้ามันท่องมันอึดสักคืนหนึ่งกับวันหลัหลงเนยไปพบอาหารจริงนั่นเราลืบได้ได้เสียงไหนจะเป็นงานอะไรเยอะมากนี่ <c oughs> <c oughs> นี่กินมะือสักนิหนึ่งเนอะระวังด้พื่นที่นี่เพราะเนี่ยเพราะมันเรีนงานเ น, นี่ยนี่แต่ว่าเรารู้จักโทษของมันแล้ว เมื่อเห็นพกที่หลังเรารู้จักอันนี้มันเป็นโทษเห็นโทษมันชัดเจนเราจะไม่เอาเต็มที่มาละสิ่งทั้งหลายเราท่านไปได้ถ้าเราเห็นโทษถ้าเราไปเห็นโทษมันน้าไม่ได้แล้วทุกอย่างเหมือนกันเมื่อเห็นโทษทุกประโยชน์เห็นพร้อมกันเลยมีเหตุมีผลเึ็นพร้อมกันเลยถ้าเราเห็นโทษมันเห็นละด่าก็ประโยชน์ที่การทําอย่างนั้นมันก็พระกอมกันเึ็นมา แต่คนไม่รู้จักก็เนี่ยมันปฏิบัติยากมันทํายากทําดีมันยากได้พูดตามๆกันมานะถ้าอาจามาจะพูดอีกองหนึ่งว่าทาชั่วมันยากเป็นยังไงเนี่ยทุกอย่างก็เพราะคนนั่นเองนะเมื่อเราชอบทําดีมันก็ทําดีเป็นมันง่ายง่ายเมื่อคนใจบาปเมื่อคนใจบาปจิตบาปทําบุญยากทําความดียาก เมื่อคนใจบุญจิตเป็นบุญทำคนดีมันก็ง่ายมันง่ายคนในอย่างอย่างนี้อแหละแต่หากว่าเราไปจิตยุคข้างไหนมันก็ชอบข้างนั้นเนี่ยเรานี่ยอยู่บนทันฉันนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่ปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบไอ้ความสบายความสงบนั้นน่นนะมันอยู่ที่เราอย่าไปหาจิตอยู่ในมันว่า อาตมาไปยังตำมิพระเนรจะมาอยู่ <c oughs> เอาภาษาแล้วไปทุรงไปหาเรียกทุรงอาตมาเรบไปทะลุรงปิดตรงนี้ก็ไม่อยู่ทะลุไปเรื่อยๆไปยิ้วไปทุกลงนะทะลุตรงเด็กก็ไปทุกลงด้วย <c oughs> กลับมาแล้วไปสั่นไปหาความสงบนในวันในตรงนั้นความสงบในตรงนั้น เพราะว่าถ้ำแม่มันเย็นดีมันสงบดีจนนึกว่าความสงบอย่ตรงนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นไปเห็นถ้ำก็กลัวซะแล้วครับถามโยมโยมมีพระจำพรรษาไหมเนี่ยมีครับเป็นไงไหมแม่มีเสีเรี่ยวมันจะตายสามโมงครับโอ้ยลงแล้วรนี่มันเป็นไงยังนี่คนเทามันมันอจูกที่สงบมันอยู่ตรงไหนไปรู้เรื่องของเรานี่ยเนี่ยถ้าหากว่าเราไปวอยวายอยู่ที่สงัดมันจะสงบได้เมื่อไร มันไม่สงบแรักมันความสงบวิธีเราอัตมาก็เคยพบแล้วอะีรไปหาหาความสงบเนี่ยไปหาตรงไหนความสงบเนี่ยอยู่ทุ่งเนีอยอยู่ภูเขาเลยอยู่ป่าอยู่ที่ไหนหมถ้าเรารู้จากความสงบเดินไปตามถนนมันก็สงบนั่งอยู่มันก็สงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้าเรารู้จากความสงบแล้วถ้าเราไม่รู้จากความสงบเราโวยวายถึงนั้นเนี่ย ให้โทษแต่นู้นให้โทษแต่นู้ไอตัวที่ทำเข็นเลี้ยงนี่ไม่เคยพูดถึงวิธีเลยเป็นเดียดเนี่ยอย่างไปบอกแต่อันนั้นมันเป็นเพราะอนะันนั้นมันเป็นเพราะมันเป็นเพราะคนคนนั้นมันเป็นเพราะคนคนนี้ยิ่งกรุงใหญ่ๆอย่างนี้ก็นะ ล, ล, กกลำบากนะมันหลายจิตหลายใจต่างคนก็สังคิดนะถึงนี้จะขึ้นรถมาเป็นลำบากเดี๋ยวคนนั้นอยากจะเอาอันนี้เดี๋ยวคนนั้นหยุดตรงนั้นเดี๋ยวคนนี้ลืมมันได้วุ่นตลอดเวลาเลยนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีขนาดเรา ตกลงว่าเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกวันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาจริงทีมันเกิดขึ้นมาปัจจุบัน ท, ทุกวันปัญหาปัญหาจริงทีมันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างไหมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทุกถ้าแก้ปัญหาได้เราเบาใจสบายไม่รู้ว่าความสบายมันมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะแก้ปัญหาได้มันสบาย แต่อนวอมสบายมันไปอยู่ตรงไหนก็นนะรู้มองเห็นมันไหมมันอยู่ที่แก้ปัญหาไม่จบพอแก้ปัญหาจกพุกขึ้นมาสบายขึ้นอยวนั้นไม่รู้ว่ามันวิ่งมาจากไหนไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองมันได้ไปที่ไหนเราเมื่อมีความเห็นผิดเมื่อไรประทุกเกิดขึ้นมาเมื่อมีความเห็นถูกเมื่อไรเป็นเพื่นมันความสงบเกิดขึ้นมาเท่านั้นมีเะ่านั้นเราซึ่งเป็นผู้ปกครองคน เป็นบุคคลที่เรียกว่านําประชาชนนําคนที่หลังน่ะให้เดินตามรอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้นึกนึกคนว่าเราจทําอย่างไง น, นี่ไม่บอกจะบอกแค่นั้นน่ะแล้วะ จ, จะทำทำยังไงนั้นอาตมาเห็นเด็กนักนักเรียนน่ะโรงเรียนยนี่ไงไอ้ครูเขาเคยมาทําสมสถานเคยรับธรรมะไปแล้วพวครูไปสอนออ้ก็ไปสอนแล้ ว, าาลวเด็กอื อย่าไปเล่นเจอเรนะอย่าไปกินเหล้านะกินเหล้ามันไม่ดีเด็กนักเรียนมันพูดครูครับเนีเหล้าไม่ดีทําไมครูผมถึงกินเหล้าเกินเหล้นานี่คนที่ถามเด็กไลยเจ๊ไม่รู้พีธีเลยนะแก่เด็กไม่ได้ปัญหามาจีบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันพูดไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สะอาดตรงนี้พูดไม่ได้เป็นครูคนผมเหมือนกัน ถ้ามีอะไรสงสัยอยู่แต่มีเรื่องพี่เราพูดตรงนี้มันจะเข้าตัวไม่พูดตรงนั้นนมันชอบเป็นอย่างนี้อืม mm hmm. ถ้าหากเราไม่มีอะไรจะพูดกระฐานเลยสบายไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้เนาะไม่กล้าจะพูดเราออขอเอะใจไม่เป mm ็ hmm. นปากแล้วนี่มันชอบเป็นอย่างนี้อันนี้มันเรื่องกิเลสวิหวายไทยเนาะกิเลสมันเป็นอย่างไงอาตมาก็เคยเป็นยังไงในการที่จะพูดได้อย่างนี้นี mm ่ hmm. ทุกคนพระ พ, พุทธเจ้าเคยเป็นมาแต่จตานิพมันแล้ว เรื่องความรู้สึกอย่างนั้นมันวางมันจถะอันนี้เป็นเหตุในทุกมันเกิดไม่ดีแค่นั้นท่านจึงเป็นนายสงฆสั่งหลายเป็นพระพุทธเจ้าอืเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั่นก็มันก็พูดยากเหมือนกันนะเหมือนดินเหมือนน้าท่านทําจิตของท่านแต่ก่อนก็ยังเหมือนเอ็นดินกับปลาโกรามันเป็นอย่างนั้นใครจะไปเยี่ยวใส่กระชังมันเถอะไ่ก่อไฟใส่กระชังมันเถอะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ท่านวางจิตถึงอนาถนั้นเอานั่นเป็นตัวอย่างเหมือนประจตีที่เดินไปมา น, นเาะเขาจะทํายังไงกับช่างมันเถอะอย่างนี้นี่โดยความอดทนอุตสาหพยายามอ น, นั่นท่านเป็นนายคนท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงมีพระอริยส า, าวกตามมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงปุรณะบุตรปุรณะติราทั้งหลายถึงแม้ไม่มากเ่อนก็ยังมีอยู่คําสอนของท่านก็ออยังคอนอยู่ตรงอยู่ทุกคนแต่มันไม่ตรงแต่คนที่จิตไม่ตรงเทนั้นแหละ หีดเ<ท>ม็ดตงรตองอย่างก็ปูเสือมันเห็นจะว่าปูไปโน่นก็ได้โน่นอย่ามาปูเข้าหยเมืองที่เทศไปมันไม่สบายบางคนนะ บางคนชอบกินเหลรามันต้องนั่งคอๆอิ่งเงินดีก่าม่ตนั่ที่ไหที <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> จะได้รูปไปง่ายมาง่ายที่ <c oughs> มานั่งกลางๆไมอยากจะมาแล้วไม่นั่งนอกๆยนนิ่งเงดีแต่มาปูไปเทอร์นั้งนู้นปูไปนะัน <c oughs> ่นนี่มาปูไปอันนี้ไม่ได้ว่าใครรับว่าไปตามเรื่องมันนะเมื่อเยี่ยมมาตะมาก็สอนนั่นแห้เอาไปเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเอาที่ว่ามานี่อย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อให้เอาไปพิจารณานะนะถ้าเป็นประโยชน์ก็ทํา ถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวก็ปล่อยมันก็ได้ไม่มีอะไรอาจจะมาก็ไม่เสียหายอะไรคือพูดความจริงให้ฟังทุกคนเป็นอย่างนั้นวิชนะวันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นึงิดหน่อยนะพอเวลามันจะน้อยไปนะวันนี้ได้ปฏิสัมพั น, นด้วยธรรมะเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาของโยมไม่มากเวลามันน้อย มีมนเทศแบบนี้เทศนิดหน่อยมันจมาจะเทศมากมันก็ไม่ได้มันจะขัดพยมใช่ไหมตอนี้งคงจะพอมีฉะนั้นในวันนี้คนทีกว่ามีโชคดีที่ได้พูดในวันนี้เนี่ยขอโอกาสทุกๆ ท, ท่านเลยนะนับว่าเป็นผู้ศึกษาทุกคนนะศึกษาทุกคนอืมไอการศึกษานี่มันก็มีมาอยู่อย่างนี้นะอือย่าไปเข้าใจว่าการศึกษานั่นมันให้ให้เราดีอย่าไปว่าดตรงนั้น อันเดียวนะจะต้องปฏิบัติไอ้สิ่งที่เราศึกษามานั่นให้ถูกต้องมันถึงจะดีอการปฏิบัติน่ะดีอืที่การไม่ปฏิบัติเนี่ยคือมันกันที่มันมันจะปัญยาเอกมันไปชั่งมันเถอะดีทั้งนั้นแะแต่ว่ามันข้าวมันข้าวรลอกมาดิเท่านั้นนข้าวสารประตองเท่านั้นมันอ่อนมันนิ่เอามาใส่กระปิบมันวางไว้กลางคางนั้น ไม่เคยสหยิบมาใส่ปากพวกีเลยมันก็ไม่รู้เรื่อง ม, มันเป็นอะไรกันนะ